อัลกุรอรีมานุรรฮีม a l h a m u l i l l a r a l a m i n و ب ความสติความเริญเจอัลลอฮประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับมุลินัพี่น้องกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับพี่น้องยังให้เกียรติติดตามนะครับรับชมรับฟังในเรื่องราวหรือ ในสิ่งที่วิญญาเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้นําเรียนเสนอกับพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการที่เราจะได้มาศึกษาเรื่องราวของอัลกุรอานกันนะครับก็ขอเน้นย้ำนะครับเป็นประจําเลยนะครับนั่นก็คือให้เรานั้นได้ตระหนักนะครับถึงความสําคัญความจําเป็นว่ากุรอานนั้นคือธรรมนูญกุรอานนั้นคือทางนําและทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับที่ที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอย่างไรนะครับแต่ว่ า, เ พ, าเพราะต้องการให้เราทุกคนได้ตระหนักนะครับว่า ความจําเป็นของการศึกษาอัลกุรอานไม่ใช่มีเพียงแค่ไว้กับนักเรียนเด็กๆนะในช่วงของเอาขาเรียกอนุบาลปฐมอย่างเดียวนะครับแต่กุรอานมีความจําเป็นกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายและเป็นสิ่งหรือเป็นทางนําทางรอดกับมนุษยชาตินะครับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราจรึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจกับ เอาคุรอานนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านการท่องจําการอ่านความหมายการพยายามที่จะเข้าใจในบริบทต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้หรือเพื่อไงว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับได้แค่ไหนได้อย่างไรเมื่อไหร่มันอยู่ที่แต่ละบุคคลนะครับพี่น้องไม่ต้องว่าวันนี้แค่อ่านอย่างเดียวก็จะรู้สึกเสียดายว่าไม่รู้ความหมาย เราก็พยายามตัวเองนะครับเพราะว่าเวลาคิดอย่างนี้แล้วมันจะทำให้เราเลิกอ่านเพราะคิดว่าอ่านแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก้นอ่านเป็นคมภีเดียวนะครับเป็นหนังสือเล่มเดียวที่อ่านแล้วได้ผลบุญดังนั้นไม่ว่าเราจะเข้าใจณตอนนี้หรือไม่นะครับการที่เรา ใส่ใจการที่เราอ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานล้วนแล้วแต่ได้ผลบุญนะครับไม่มีคําว่าขาดทุนแล้วเสียเวลาแต่อย่างใดนะครับครับพื่อนนะครับกลับมานะครับในสุรอกัสส์นะครับเรายังอยู่ในสุรอกัสส์นะครับวันนี้นะในต่อเนื่องในอายะที่สามสิบนะครับนะเท่าความในตอนที่แล้วนะครับที่ท่านนบีมุซ่าอะเลสลัมได้พาครอบครัวนะเดินทางเพื่อที่จะเดินทางมุ่งสู่ประเทศอียิปต์นะครับเพื่อที่จะได้กลับไปคขลัก บานเกิดเมืองนอนนะครับก็คิดว่าสิปีที่ผ่านมาทุกอย่างมันก็ต้องคงซอฟลงนะครับในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่แล้วเมื่อมาถึงที่ที่หนึ่งะครับก็ได้เห็นด้วยความหนาวเหน็ดด้วยความลมที่พัดแรงนะครับก็เห็นแสงไฟออกมานะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดูว่ามันมีอะไรอย่างไรไหมเข่าวสาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็จะได้เอาทุ่นไฟมาเพื่อให้เราครอบครัวของเรานั้นได้อบอุ่นอันนี้เป็นคําพูดที่พูดกับ ครอบครัวไว้นะครับต่อมานะครับอายะฮ์ที่สานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตาลาได้บอกเพื่อให้เราได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ Simple ้นครั้งที่นบีมูซ่าอะเลสลามเดินไปถึงแสงนั้นหรือภูเขาดังนั้นนะครับฟาละมาอาตาฮานูเดียมินชาติอิลวาดิลไอหมันฟิลบุกอติลโมบะรักติมินะชะยารติเมื่อท่านนบีมูซ่าอะเลสัลามไปถึงจุดที่ที่เข้าใจว่าแสงไฟนะหรือแสงสว่างมันออกมาจากตรงนั้น แต่ครั้งที่เดินไปถึงไม่พบไม่พบแสงไฟนะครับแต่ได้ยินเสียงเรียกมาจากทางด้านขวาของมุมภูเขานะครับเป็นพื้นที่หรือเป็นพื้นที่ที่มีความจำเริญพูดง่ายว่าเป็นภูเขาตูรที่อัลลอฮสุบฮานอตาลาต้องการให้นบีมูซามาพบหรือมาเจอที่ตรงนี้นะครับ และเสียงเสียงเรียกหรือเสียงที่ออกมาคืออะไรครับอายามูซาโอ้มูซาเอ๋ยอินนีอานอัลลอฮรบบุลอลลมีนแท้จริงข้าคืออัลลอฮ์นะพระผู้อัยบานแห่งสากลโลกนะอันนี้เป็นคาเสียงที่ปลิกออกมาแบบชัดๆไม่เสียงแววไม่เสียงที่จะบอกว่ า, ามีใครพูดหรือเปล่าไม่ใช่เลยแต่เป็นเสียงชัดๆที่ออกมาให้อ่ น บ, บีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับได้รู้ว่าผู้ที่สนทนาด้วยคือพระผู้วิบาลคือพระเจ้าคืออัลลอฮซุบฮานวตลาพระผู้ิบัลแห่งสากลละโลกนะครับอัลอัลกียาซอนะและแน่นอนครับด้วยกับสิบปีที่ทำหน้าที่ในการดูแลแกะในการเลี้ยงแกะในการพาแกะไปะหาอยากกินเอาน้ำให้แกะแล้วก็พาแกะกลับมาสู่คอกที่เตรียมไว้ทำอย่างนี้ทุกวัน เป็นระยะเวลา10ปีดังนั้นจึงไม่แปลกเขาว่าท่านนบีมูซานั้นจะมีบ้านเราเรียกว่าไม้เท้านีก็จะมีไม้ประจํากลายนะครับจะเป็นไม้นี่แหละครับที่ไว้เลี้ยงแกะไว้ต้อนแกะไว้ทําสัญลักษณ์เพื่อให้แกะรู้ว่าให้ไปทางไหนที่ทางไหนนะครับอัลลอฮฺสุบฮานอัลตลาได้สั่งบอกว่าว่าอัลอัลซอกดัง้นเจ้าจงโยนไม้ไม้เท้าของเจ้าลงไป จงโยนไม้ลงไปนะครับฟัลมมารออาตัตซุกอันนาฮจานูวัลลามุตบิรรวัลลัมอยู่อักติบนะด้วยความตลึงในเสียงที่ออกมานะครับแล้วก็แน่นอนอย่างยิ่งนะครับก็คือเมื่อนบีมูซาอลลฮิสลามได้โยนไม้ตามบัญชาใช้ของอัลลอฮสุบฮานะฮูตลาทันใดนั้นเองพี่น้องครับไม้ที่มันตกถึงพื้นนมันกลายเป็นงูที่เลื้อยก็เคลื่อนไหวได้นะครับ ด้วยความตกใจนะครับด้วยความกลัวนะฮนะวินาทีนั้นที่เห็นไม้ที่เขาถืออยู่นะนะครับไม้ที่เขาใช้เป็นประจำสิบปีมานี่นะแต่เมื่อแต่ก่อนวางบนพื้นหรือโยนไปตรงไหนไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ครั้งนี้นะครับเมื่อโยนลงไปแล้วต่อหน้านะครับไม้นี้มันมันขยับแล้วมันกลายเป็นงูนะครับด้วยความตกตกตะลึงจึงต้อง ผลัหันหลังกลับนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะหันไปมองอีกด้วยความตกตะลึงนะครับอัลลอฮ์สุบฮานอวตาราเมื่อได้ น, น, นบีมูซาได้ได้มีความตกใจขนาดนี้นะอัลลอฮ์สุบฮานอวตารตาจึงได้เรียกนบีมูซาบอกว่ายะมูซาโอ้มูซาเอ๋ยอัคบิลวาลาตะครัหันกลับมาเถิดกลับมาที่ของเจ้านะและจงอย่าหวาดกลัวจงอย่าอะไรเลยอ<ล>ินนักมินันอามีนีนว่าแท้จริงเจ้า นะจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยหมายถึงว่างูนี้จะไม่ทําลายเจ้าที่เห็นเป็นงูเนี่ยจะไม่ทํำลายจะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างความอันตรายแก่แก่ให้แก่เจ้านะครับก็พูดง่าว่าหันกลับมาหันกลับมาดูหันกลับมามองเมื่อสักครูนี้ที่เรียกว่าไปงูเนี่ยนะครับก็คือไม้เท้าของท่านนบีมูซาอะลัยสัลามนั่นเองนะครับต่อมานะครับหลังจากที่ได้ตั้งสติ หลังจากที่ได้กลับมาแล้วก็เห็นงูแล้วก็รู้ว่าโอเคอันนี้มันเป็นาการที่อัลลอฮสุบฮานวัตละลาได้ประทานใหนะ้พระองค์เอได้บอกต่อนะครับว่าอุสลุกยะดากฟีเจียบิกตักรุจเบลบมะมินไบริสุนะครับก็ให้ท่านนั้นได้สอดมือนะครับเข้าไปาข้างนอกเสื้อนะครับก็คือเอามือเข้าไปนี่นะแล้วก็เอาออกมาดึงออกมา นะครับมือจะกลายเป็นสีขาวมิใช่ไ ป, ไ ป, ไปมาจากโลกด่างโลกเลื้อนหรือโลกภัยอะไรที่สังคมมนุเกลีเปล่าแต่เป็นแสงหรือเป็นความสว่างหรือเป็นความบริสุทธิ์นะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮฺว่าตาได้ประทานให้กับท่านนาบีมูซาอะลัยซ์ลัมนะครับวัมุมอิไรกะจานะฮะกามินารุฮฺนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานาฮฺตาลาจึงได้บอกให้เอามือเนี่ยนะให้แนบไปที่หน้าอกทางด้านซ้าย นะครับให้แนบออกไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อขจัดความหวาดกลัวนะครับขจัดความหวาดกลัวให้เอามือเนี่ยแนบไปที่ลาตัวนะครับแนบไปที่ลำตัวเพื่อขจัดความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นนะครับพูดง่ายว่าตกใจนะแต่จริงแล้วนั่นก็คือสิ่งที่จะแสดงถึงความมหาศักดิ์ทธ์หรือโมจิซากที่ให้กับนบีมูซาอัลัยฮิสサมนะครับ แล้วก็แสงหรือความสว่างหรือการที่มือนั้นเป็นประกายถึงรัสมีที่ออกมานั้นไม่ใช่เรีดยด้วยกับภัยอันตรายหรือโรคภัยค่าเจ็บแต่อย่างใดนะครับแต่นั่นคือสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้ประทา น, นโมจิซัตให้กับนบีมูซาอะไรนะครับดังนักบุรฮานานิมิร บ, บิกนี่นะครับ นี่คือนี่คือคำบอกนี่คือคำสัญญาที่อัลลอ์บอกไว้ว่านี่คือสองสัญญาณใหญ่ๆนี่คือคือสองหลักฐานนะที่เจ้าจากพระืองของเจ้านะครับให้ไปไหนครับอิลลเฟีร์อันา ว, นวมาราอีกลับไปหาเฟีรอและบริวารของเขานะแน่นอนครับเจตนาแรกจากที่นบีมูซาอะเลสลามนะออกจากบ้านพอตานะจากเมืองมัดยัน เป้าหมายคือต้องการมุ่งตรงสู่ประเทศอียิปต์นะครับด้วยการที่จะได้เรียกว่าเริ่มมีข้อเรียกมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะครับแล้วก็คิดว่าทุกอย่างนะคงจะได้ลืมๆกันไปแล้วก็ความาโกรธคิ้วหรือแม้กระทั่งความกดแค้นนะนะนาวินาทีนั้นนะมันก็คนคิดว่าน่าจะซอฟลงแล้วก็คงจะลืมไปในที่สุด จริงได้อยากจะกลับไปเพื่อที่จะได้ไปพูดคุยแล้วก็พบปะกับประชาชนาของตัวเองนะครับแต่ระหว่างทางนะครับระหว่างทางอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตาลาได้ประทานาสัญญาหรือโมจิซัตสองประการใหญ่ๆให้นะครับนั่นก็คือไม้ที่ไว้เลี้ยงแกะนี่นะครับอีกอายัหนึ่งนะเวลาอัลลอฮฺถามอะไรในมือเนี่ยน บ, บีมุสาบอกด้วยความตกใจนะบอกหมดเลย จริงแล้วม่ได้ถามนะแค่บอกว่าไม้เท้าก็จบแล้วแต่ด้วยความตกใจจึงบอกว่านี่คือไม้เท้าของฉันฉันใช้ไว้สําหรับเลี้ยงแกะไว้ น, นู่นนี่เนี่ยนะครับก็คือเป็นอะไรที่ เ, เขาเรียกว่าอบอกโดยทีอ่อธิบายแหละอย่างละเอียดโดยที่ยังไม่ได้ถูกถามนะครับเพียงแค่ <OR G> ถามคําสั้นๆ น, นะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วแล้วท่านนบีมูซาระอิสลามเมื่อได้รับมอบสององค์การใหญ่ๆหรือเรียกว่ามอจิซัตใหญ่ๆนะครับ แล้วเอาล็อกุูพาตาลาบอกว่าสองอันนี้คืออะไรครับเมรอบบิกดังนั้นคือให้ให้รู้ว่าไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรไม่ว่าใครจะบูลี่อย่างไรก็แล้วแต่ให้เข้าใจเลยนะครับว่าให้ใครครับให้ท่านนับุลมซารลอืสลมได้เข้าใจว่านี่คือสัญญาณจากพระผู้ิบาลของเจ้าเพื่ออะไรครับรววอิลาฟิรานวะมาล เพื่อเจ้าจะได้เดินทางไปพูดคุยไปเร่เชิญชวนไปเรียก ร, อร้องเฟรอเรลให้เขาได้เห็นให้เขาได้ประจักษ์และบริวารของเขานะครับอินนาหุมกาณูเก้ามันฝาสิกินเราะแท้จริงพวกเขาหมายถึงเฟรอเอลและบริวารทั้งหลายนั้นเป็นกลุ่มชวนที่ฝ่าฝืนเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนในหลักการเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนในในคำสั่งใช้ของลอการฝ่าฝืนในการมรีในการเป็นพระเจ้าของลอสุภัทละ นะครับนั่นนี่คื อ, อสิ่งที่อัลลอฮฺซุพานาวะตาลาได้บอกกับท่านนาบีมูซ่าอลิสลามเพื่ออะไรครับเพื่อใหก้กลับไปแล้วก็ไปเผชิญหน้ากับเฟรเอาลไปเรียกร้องไปเชิญชวนแล้วก็แน่นอนสัญญาณสัญญาณอย่างนี้ก็เป็นสัญญาณที่จะได้ให้รู้ว่าใครจะทําได้นะใครจะทําได้พี่น้องเราต้องท้าความท้าความนิดหนึ่งครับในยุค ข, ของนบีมูซ่าอลิสลามเป็นยุค ข, ของไซยาสตร์เวทมนขาถา นะฮะการปิดบังตาการเพื่อทำเซฮทต่างๆนะครับหลากหลายวิธีการนะครับดังนั้นการที่จะต่อสู้หรือการที่จะให้เขานั้นได้ได้ได้ตระหนักและเข้าใจในบริบทนะครับของการนั้นนั่นก็คือการที่เราต้องมีอะไรที่เหนือกว่าและการว่าเหนือกว่านั้นก็คือนะคนที่เป็นอยู่แล้วคนที่รู้อยู่แล้วเมื่อเห็นอย่างนี้เนี่ยก็จะได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับ เข้าใจอย่างเชัดเจนและก็จะได้ให้เฟรเอาได้รู้และตระหนักนะครับว่าสิ่งที่เขาเคยกลัวในอดีตสิ่งที่เขาเคยคิดว่าไม่มีในอดีตวันนี้มันก็ค่อยเริ่มมาหากแม้นว่าถ้าเฟรเอาเป็นผู้ที่ไตร่ตรองและคิดทบทวนนะครับต่อมานะครับในอญญายะทัตไปที่อเลสซุบฮานอตาลาได้เล่าให้เรารู้ว่ารู้ว่าหลังจากที่มอบหมายแล้วเนี่ยมันมีการพูดคุยระหว่างานบีมูซาอเลสามกับ Allah Subhanallah ที่บอกว่าขอเลรอบิอินนีก็ตั้งตุมินหุมนับสันฟะอคฮฟุอิยักตูลุนอันนี้มันเป็นอะไรที่มันอยู่ในใจนายมูซาที่บอกว่าโอ้พ้อยงของฉันแท้จริงฉันได้เคยฆ่าคนหรือทหารของเฟรออ์รอคนที่อยู่ในในในเผ่าหรือในตระกูลของเฟรออ์รอซึ่งถือว่าในยุคนั้นถือว่าเป็นเป็นโทษที่แบบร้ายแรงมากๆนะครับ เรียกว่าการอยากจะเห็นอยากจะดูอยากจะเห็นดีนะครับอยากจะลองดีนะครับค่าคนของฉันนะแสดงว่ า, าต้องการมามามีปัญหากับฉันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ฟังกันได้นะครับว่ามันความรู้สึกอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นในยุคเรานี่ก็มีพี่น้องครับว่านะถ้าใครที่มีอํานาจนะครับแล้วก็มีใครก็แล้วแต่ทําอะไรที่มันที่บ้านเราเรียกว่าเหยียบจมูกนะ นะหรือทําอะไรกับคนของเขาเองเนี่ยก็จะมีรู้สึกค่อนข้างโกรธ น, นะครับแล้วก็เป็นไปนโกรธฝังใจนะดังนั้นสิ่งนี้แหละครับที่ท่านนาบีมูซาอะเลฮ์ซ็งได้บอกกับ ล, ลักษมีพัฒนาระว่าแท้จริงฉันเคยได้ฆ่าคนของพวกเขานะครับ<อ>ฟะ อ, อะคอฟะไอยักตุลนะนั้นเกรงว่าอันนี้คือความเกรงคือไม่ได้กลัวแบบแบบที่เราเข้าใจว่ากลัวไม่กล้าเผชิญหน้ากลัวเปล่าเลยนะครับท่านนาบีมูซาอะเลฮ์ซ็บอกว่า เกรงว่าพวกเขานั้นก็จะได้วางแผนนะสังหารฉันยังไม่ทันที่จะได้นำ เ, เขาเรียกอะไรนะมวดยิ้มซาที่ให้ม า, อ, อ, อ, าองค์การต่างๆที่ให้มานะครับยังไม่คิดคิดเองนะว่ายังไม่ทันให้ได้ไปเจอเลยนะครับพวกเขาจ ะ, จะได้ดักระวางแผนฆ่าฉันเลยนะครับนี่คือข้อกังวลที่นบีมูซาเกิดขึ้นนะครับต่อมาครับที่ระบอว่าก็ต้องการการแรงสนับสนุนนะครับ แรงสนับสนุนแล้วก็แรงขลกพวกที่จะได้คอยคลักที่ปรึกษาและคอยพูดเก่านะครับด้บอกว่าหัวอัคีฮารุนนะขอให้พี่ชายของฉันสักคนได้ไมอ่ะชื่อฮารุนเนี่ ย, ยพี่ชายของฉันที่ชื่อฮารุนเะนี่ยหัวอัลซามินนีลิซานันฟาร์ซิลฮุเมยริดอายุสันดียโนอ่านี่เป็นการขอของนบีมูซาอะลัยสลามที่บอกว่านาบีฮารุเนี่ยซึ่งพี่ชายของฉันที่ชื่อฮารุเนี่ยนะ ตอนหลังนี่ถูกแต่เป็นนบีนะฮะ เ, เขามีภาษานะเขาใช้ภาษาพูดจาได้ได้คล่องได้ชัดเจนมากกว่าฉันนะความหมายก็คือว่าพี่น้องถ้าติดตามจะได้รู้ว่าในตอนเล็กๆนะครนะับนบีมูซาอะเลสลามได้เขาเริ่มมีการบททดสอบเพื่อรู้ว่าเด็กคนนะี้เด็กคนนี้เป็นเด็กที่จะโตขึ้นมาแล้วก็มาทําลาย บัลลังและอำนาจของเฟตเอาหรือไม่นั่นีคือความโกรรมลของเฟตเอาที่เกิดขึ้นนะครับจึงได้วางอุบายนะครับระหว่างนมกระถานเนี่ยนะใ น, นที่เราไม่ทราบกันไปดีมันจึงทําให้ลิ้นของนบีมูซาเลยเวลาพูดและสนทาอะไรนะั้นมันอาจจะไม่ค่อยชัดและฟังบางทีไม่ชัดแล้วก็อาจจ ะ, จะไปไปบิดผิวอะไรได้นะครับท่านนาบีมูซาจึงได้ขอต่อรอกซุพานอตาลาบอกว่าพี่ชายของฉันที่ชื่อใครครับชื่อฮารุเนี่ยเขามี ภาษานะไม่มีคำพูดที่ชัดเจนมากกว่าฉันนะครับดังนั้นโปรดส่งเขาไปกับฉันเพื่อเขาจะได้เป็นผู้ที่ยืนยันนะครับยืนยันในคำพูดของฉันยืนยันในฉันได้ปฏิบัตินะครับู่ต้องการคน แรงสนับสนุนนะครับต้องการคนที่เห็นด้วยนะหรือเรียกว่าคนที่สามารถที่จะพูดคุยและปรึกษาหารือได้นั่นเองนะครับนะฮะมาดูคำว่าอัลล์บอกว่าอะไรอินนีอ่านบมูซาท่านนาบิมูซาบอกอินนีอะคอฟุอิยกซบูนที่อย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะครับเกรงว่านะฉันเกรงว่าพวกเขาทั้งหลายหมาอถึงชาวอียิปต์หรือบรรดาเฟรเอาแล้วก็ บริวารของเขานะครับจะ่วยโอกาสตรงนี้ที่นบีมูซาพูดติดอ่างบ้างพูดแบบไม่ชัดบ้างนะฮะก็ เ, เอามาเป็น เ, เรื่องและประเด็นในการบิดผิวนะในคำสั่งของลอสุภาณอวตารนะครับจึงได้บอกอขอต่อลอสุภาณาวตาว่าให้ที่ชายคือฮารูนั้นมาเป็นผู้ที่ยืนยันนะในคำพูดแล้วก็แน่นอนครับก็คือเป็นคนที่สื่อสาร คำพูดที่ถูกต้องออกไปนะครับว่าอินนะีเอาคอฟอออยู่กันรูนฉันเกรงว่าเอาพวกเขาทั้งหลายมายประชาชาติเนี่ยชาวอียิปต์เนี่ยนะแล้ววงวางวง ว, ว, ว, ว, ว, วางของเฟรเอาเนี่ยจะปฏิเสธในคำเชิญชวนคำเรียกร้องนะครับพี่นกับนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับมันก็จะมีสิ่งที่ มาคอยที่จะบอกว่าจริงหรือเปลา่านี่หรือเปลา่านะครับแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเวลามีคำพูดจะไม่มีใครถามว่าจริงหรือเปลา่านะครับแต่จะยอมรับแบบ เ, เขาเรียกว่าไม่มีเงื่อนไขอ่ะนะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันยืดขึ้นอยู่กับคนที่พูดถ้าคนที่พูดมีมีตแหน่งนะมียศถาบรรดาศักดินะมีเงินมีทองนะเป็นที่รู้จักรู้น่ารู้ตาทั้งหมดเหล่านี้นะครับคาพูดก็เหมือนกับว่าเป็น กติกาไปได้เลยนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเวลาอันใดที่มาเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคําถามถัดไปก็คือหนึ่งสิ่งนี้จริงหรือเปล่าถูกต้องหรือไม่นะครับเป็นการเ้าเรียกว่าสืบหาความถูกต้องก็ไม่แปลกทําได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกนําเสนอแล้วครับจะสังเกตว่าจะไม่มีคําท้วงติงนะไม่ไม่เว่นใครพูดก็แล้วแต่จะไม่มีคําท้วงติงนะตจะไม่มีคําที่บอกว่า เปล่าใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้แต่ตรงกั้นข้าจะมีความเชื่อความยอมรับแบบไม่มีเงินไขเลยนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นท่านนาบิมูซานทรัมจึงต้องต้องการที่จะปิดปิดประตูช่องโหว่นะครับในการที่จะการการบิดพิวจากการสื่อสารที่อาจจะไม่ ไม่คร่องตัวนะนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่อัลลอฮซุบฮานะฮัตะลาได้เล่าให้ฟังในอัลกุรอานนั่นเองนะครับครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมก็ไม่แน่จะไปนะครับ ﷺ